บทสรุปท่านทั้งหลายธรรมคือปาติเทศนิยะสี่สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือปาติเทศนิยะสี่สิกขาบทเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาติเทศนิยะสี่สิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปาติเทสนิยะกันจบ